เนื้อหาในรายการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพูดถึงเรื่องของเวรกรรมของการลักขโมยอาจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนเคยได้ยินจนชินหูนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อเลยค่ะเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอกย้ำถึงปลายทางอนากลัวของผู้ที่ละเมิดในกฎเหล่านี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่ในละแวกบ้านนี้เล่าต่อกันมาเป็นเวลานานแม้ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆจะคิดกันเพียงว่าเป็นนิทานเอาไว้สอนใจเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมาขออนุญาตย้อนกลับไปราวๆ40 50ปีก่อนค่ะแถวละแวกบ้านของผู้ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะบอกว่ายังไม่มีถนนตัดผ่านมากมายเหมือนในสมัยนี้ ที่ดิน ร, บรอบๆส่วนมากก็จะเป็นดินแดงหรือว่าทางลูกรังนะคะที่เหมาะกับการเดินเท้ามากกว่าการใช้ยานพาหนะถนนใหญ่จะมีเพียงเส้นเดียวที่ตัดผ่านทั้งตัวเมืองซึ่งถัดไปไม่ไกลนักนะคะก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดประจาหมู่บ้านแล้วก็วิถีชีวิตของคนสมัยนั้น ยังใกล้ชิดกันกับวัดวาอารามค่ะใครที่พอจะรู้หนังสือหน่อยมีความสามารถในการเขียนการคำนวณก็มักจะถูกเรียกตัวไปช่วยงานอยู่ที่วัดเสมอนะคะลุงทิมก็คือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นเหมือนกับมัรณายกของวัดแกก็จะมีหน้าที่ทําทุกอย่างตั้งแต่งานเล็กๆไปจนถึงงานใหญ่ๆค่ะจะเป็นงานมงคลงานอาวมงคลลุงทิมเนี่ยแกถือว่าเป็นเสาหลักของวัดเลยก็ว่าได้ และหน้าที่สำคัญจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในวัดจะต้องผ่านมือลุงทิมเพื่อจัดทาบัญชีให้เป็นระบบระเบียบซึ่งเรียกว่ายัางเป็นเรื่องยากในสมัยนั้นนะคะแม้จะไม่มีใครเคยพูดแต่ว่าทุกคนก็รู้ค่ะเพราะว่าบ้านของลุงทิมที่เคยเป็นไม้สร้างอย่างง่ายๆตามอัตลักของคนในหมู่บ้านเพียงเวลาไม่ถึงปีบ้านนั้นเนี่ยเริ่มขยายสังกะสีหมดไปกลายเป็นกระเบื้อง จากไม้เก่าๆนะคะก็มาแปลงร่างกลายเป็นปูนค่ะแม้ว่าลุงทิมเองเนี่ยแกจะมีอาชีพเป็นชาวสวนขายของที่ตัวเองปลูกแต่ก็เป็นเพียงที่ดินผืนเล็กๆกว้างยาวไม่ถึง1ไร่หรือว่ามีที่อ่ามันจะสร้างรายได้ให้แกมากมายขนาดนั้นนะคะก็คงจะเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะหลังจากที่ลุงทีมแกสร้างบ้านใหม่ได้ไม่นานในละแวกบ้านก็เริ่มมีคนพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายค่ะแม้ว่าจะมาจากหลายปากแต่ว่ากลับตรงกันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันข่าวลือเริ่มหนาหูขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะชาวบ้านชาวเมืองนี่ก็เล่าไว้ค่ะบอกว่า กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นเนี่ยก็จะมีคนพบเห็นร่างสูงใหญ่ผิดมนุษย์มนาแขนขาเก้งก้างระยงระยางเดินโยกเยกไปมาในอากาศสองเท้ามันก้าวย่างอย่างช้าช้าบ้างก็บอกว่าเหมือนลอยเลยแต่ไม่ว่ามันจะใช้วิธีใดในการเคลื่อนที่ปลายทางของมันคือมีที่เดียวนั่นก็คือบ้านลุงทิมค่ะ เป็นเวลาหลายปีนะคะที่คนพบเจอเงาปริศนาที่เชื่อว่าเป็นเปรตมายืนร้องครวนครางส่งเสียงหวิดวิวหน้าขนลุกมันไม่ได้แกว่งมือไปมาเหมือนอย่างในนิทานแต่มันคงเป็นการไหวเอ็นตามแรงลมซะมากกว่าชาวบ้านใจกล้าบางคนนี่ก็แอบไปเตือนไปบอกแกด้วยความเป็นห่วงแต่กลับโดนตะเพดิดออกมาอย่างไม่มีไมตรีจิตค่ะราวกับว่าเจ้าตัวไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นและไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลยสักคืนเดียว แลกอีกเหมือนกันค่ะว่ามีอยู่วันหนึ่งบ้านของลุงทีมเนี่ยเกิดไฟไหมอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านที่นั่งดื่มกินกันในยามดึกสังเกตเห็นควันไฟลอยสูงขึ้นเหนือหลังคาบ้านก็เลยรีบวิ่งออกไปดูปรากฏนะคะว่าสายตาของชาวบ้านที่มองเห็นนั่คือบ้านหลังใหม่ของลุงทีมกาลังถูกไฟไหมโหมแรงจนคนมุงไม่กล้าเข้าไปช่วยต้องรอจนกว่าหน่วยดับเพลิงจะมาถึง ซึ่งก็ปรากฏว่าตัวบ้านที่ถูกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงแล้วก็หมอกควันหนาจนไม่มีใครสามารถบุกเข้าไปช่วยลุงทิมที่ตอนนี้ยังคงนอนหลับอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเหมือนไม่รับรู้เหตุการณ์รอบตัวทุกคนจึงทำได้แค่รอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุเท่านั้นและเมื่อมาถึงนะคะพนักงานดับเพลิงก็เสี่ยงตายวิ่งฝ่ากองเพลิงเข้าไปอุ้มกึ่งลากลุงทิมออกมาข้างนอกแม้จะไม่ตาย แต่สองมือกลับถูกไฟคลอกจนแทบใช้งานไม่ได้ค่ะเมื่อแผลแห้งหายสนิทก็เกิดเป็นผังผืดยืดนะคะเป็นเส้นเอ็นนะคะก็ยึดติดกันซึ่งบางส่วนก็เสียหายกลายเป็นคนพิการแต่ว่าภาพที่น่าขนลุกที่สุดคงจะเป็นพระพุทธ ร, รูปทองเหลืองที่สะท้อนแสงไฟสว่างวาวอยู่กลางกลองเพลิงจนกระทั่งเปลวเพลิงสงบลง พระพุทธรูปนั้นไม่มีแม้กระทั่งรอยขเข่าวางอยู่ท่ามกลางซากบ้านปูนนะคะของลุงทิมนี่แหละบ้านปลายชีวิตของลุงทิมค่ะจบลงที่การกลายเป็นลูกวัดทําได้แค่หยิบจับข้าวของทั่วไปแล้วก็รอกินข้าวก้นบาดไปวันๆเนื่องจากกลายเป็นคนพิการในช่วงข้ามคืนแต่สิ่งที่น่าขนลุกมากกว่านั้นคือลุงทิมมีชีวิตอยู่ต่อได้ไม่นานแกก็ป่วยตายอยู่ในวัดนั่นแหละนะคะ แล้วก็ในระหว่างที่จะเผาศพนั้นก็เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับเมนเผาศพคือเมนเผาศพนี่นมันมีรอยแตกชํารุดจนใช้การไม่ได้ศพลุงทิมก็เลยต้องดําเนินการเผาโดยเร็วที่สุดเพราะไม่ได้ถูกฉีดยาเหมือนอย่างศพของผู้ที่มีญาติสิ่งที่ทําได้ค่ะก็เลยมีเพียงการก่อกองฟอนนอกบริเวณวัดเท่านั้น กองฟอนก็คือการใช้ไม้สุงหรือไม้ที่แห้งแล้วเนี่ยติดไฟง่ายเอามาวางสลับซับซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับเตียงปูด้วยฟางหรือผ้านะคะเพื่อใช้ในการจุดไฟเผาศพซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีโบราณก่อนที่จะมีการก่อสร้างเมนเผาศพไว้ใช้งานเหมือนอย่างในปัจจุบันแม้ในยามตายแล้วค่ะลุงทิมยังไม่อาจที่จะได้ทาพิธีภายในวัด หลังจากตายไปก็ยังมีเรื่องเล่าต่อจากนั้นอยู่เรื่องนึงว่าหลังจากกองฟอนสงบได้ราว3ามสวันก็เริ่มมีคนพบเห็นเงาสูงใหญ่ส่งเสียงหวิดวิวลอยอยู่ในอากาศทุกคนเชื่อกันว่านั่นคือเปรตที่เคยมาบ้านลุงทิมและมันคงมารับลุงทิมไปแล้วเพราะว่าเงาร่างที่ปรากฏหลังจากนั้นมี2องตนค่ะซับใดที่ไม่ใช่ของเรานะคะคุณผู้ฟังเมื่อหยิบมาแล้วจะต้องส่งคืนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง การชดใช้อาจจะเป็นในรูปของเงินทองหรือกลับมาในรูปของเวรกรรมเรื่องนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชุมชนแม้ทุกวันนี้ก็ยังคงมีผู้พบเห็นเงาร่างของเปรตทั้งสองอยู่บ่อยครั้งจนครั้งหนึ่งค่ะพระลูกวัดที่มาอยู่ อ, อยู่มานานแล้วนะคะถึงกับเคยหลุดปากบอกญาติโยมไปว่าเปรตไอ้ทิม นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเวรกรรมค่ะสำหรับใครที่ชอบหยิบจับเอาของคนอื่นมาเป็นของตนหรือชอบราดบังหลวงหรือที่เรียกว่าคอร์ดัปชัน่นเอาเงินวัดมาเป็นเงินของตนก็ต้องระวังให้ดีนะคะสุดท้ายค่ะเมื่อเสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ต้องพบกับความวิบัติส่วนเมื่อเสียชีวิตไปแล้วอบายภูมิเท่านั้นคือที่ตั้งโลกของเปรตโลกของอสุรากายรอท่านอยู่ ถ้าไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวท่านเองนะคะมีเรื่องเปรตอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องจากคุณกิติศักดิ์สีแก้วบวรนะคะบอกว่าอัตามาบวชที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เข้าวพันษาที่ผ่านมาพร้อมๆกันกับพระใหม่อีกสองรูปโดยมีหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัย60กว่าเป็นพระอุปชาปัญญาวโรแปลว่าผู้เปี่ยมด้วยปัญญาคือฉายาที่ได้รับต่อท้ายชื่อที่ตั้งใจเลือกวัดนี้ ที่จำพรรษาก็เพราะว่าห่างจากบ้านพ่อแม่แม้ว่าจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ว่าอาตมาก็อยากอยู่ในผ้าเหลืองศึกษาพระธรรมวินัยอย่างสงบไร้คนรู้จักให้วุ่นวายวัดแห่งนี้ค่ะมีกุฏิห้าหลังด้วยกันสีหลังของพระรูปวัดเรียงรายกันไปจนถึงแนวคลองกับอีกหลังหนึ่งเป็นของเจ้าอาวาสซึ่งแยกตัวออกจากสีหลังแรกมาทางหอฉันอย่างเอกเทศอาตมาค่อนข้างแปลกใจยอยู่ใช่น้อยที่วัดแห่งนี้ แทบจะไม่มีพระเก่าอยู่เลยนอกจากเจ้าอาวาสกับพระโชธที่ดูจะแก่พันษาชราภาพกว่าหัววัดซึ่งกุฏิอยู่ริมคลองทั้งที่วัดยังคงสภาพดีไม่ได้ชำรุดทรุดโทรมมีญาติโยมเข้าออกทุกเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนาไม่เคยขาดสาย ห่วงเวลาในร่มการาสวพัฒค่อยๆคืคบคลานจากวันเป็นเดือนอาตมาได้รับการดูแลสั่งสอนอบรมขัดเกลากิเลสมุ่งสู่หนทางแห่งการดับทุกข์จากหลวงพ่อจเจ้าอาวาสผู้เปี่ยมเมตตาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเหมือนเช่นที่ได้ยินได้ฟังมาก่อนหน้านี้ซะจริงอาตมาตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาบวชวัดแห่งนี้ อาตมาออกจากวัดแต่เช้าตรู่พร้อมกับพระต้นซึ่งบวชพร้อมกันอย่างเช่นทุกวันอาตมากับพระต้นเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพระต้นเป็นรุ่นน้องอาตมาสองปีมีภูมิลําเนาอยู่วัดใกล้ๆแห่งนี้จะเรียกว่าเจ้าถิ่นก็คงไม่ผิดนักอาตมารู้สึกถูกชะตากับพระต้นจึงค่อนข้างสนิทสนมกันเร็วบรรดาพระในวัด พระต้นจึงเป็นคนที่คุยกันได้แทบจะทุกเรื่องแม้ในวัดจะมีพระนุย้ยซึ่งเป็นพระบวชใหม่อีกรูปแต่ว่าพระนุ้ยเนี่ยไม่ค่อยสูงสิงกับใครในวัดชอบเก็บเนื้อเก็บตัวดูเป็นคนสลัดคราบหนุ่มเจ้าสําอางไม่ออกแม้จะอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเราออกรับบินทบาทแถวย่านร้านตลาดไกลาจากวัดไปราว2กิโลเมตรส่วนพระโชธกับพระนุ้ยก็แยกย้ายกันไปอีกสายซึ่งระยะทางใกล้กว่าในขณะที่เจ้าอาวาสงดออกบินทบาทมาตั้งแต่วัดมีพระบวชใหม่ ใกล้เดือน10เข้ามาทุกขณะชุมชนที่เดินผ่านคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาข้าวของสำหรับจัดเตรียมเป็นสัมภารบไปวัดทั่วทั้งตลาดดา ด, ดื่นไปด้วยขนมเดือน10ห้าอย่างอันประกอบไปด้วยขนมพองขนมลาขนมดีซมขนมกงและขนมบ้านะคะนอกจากนัน้ยังมีขนมเทียนรวมด้วยทั้งผลไม้อีกหลายชนิด และขณะอีกด้านหนึ่งพระสงฆ์สัมเนนที่จำพรรษาตามวัดตามสํานักสงฆ์ต่างๆจะร่วมมายร่วมมือกันพัฒนาทำความสะอาดวัดาศาสนสถานตระเตรียมความพร้อมเื่อรอรับญาติโยมที่จะเดินทางมาทำบุญในวันศาสร์เดือน10อย่างอุ่นหนาฝาข้างเช่นทุกปีที่ผ่านมาเสียงมงเฆ่งมงอันแสนเร้าใจค่ะแหววออกมาจากนอกกําแพงวัดในช่วงสายของวันขึ้นอของวันแรม15บห้าคเดือนสินะคะก็ส่งสัญ ญ, ญาณว่า บุญหลังหรือบุญใหญ่ของชาวปากใต้เวียนมาอีกครั้งสำหรับงานบุญประเพณีที่สำคัญนี้รู้จักกันดีในพื้นที่ค่ะที่ว่าวันส่งตายายหรือเรียกว่าวันส่งเปรตนะคะหลังจากรับตายายหรือรับเปรตมาเมื่อวันแรมหนึ่งค่เดือน1ิบ ไม่ว่าลูกหลานหรือญาติพี่น้องคนในครอบครัวจะไปทำงานอยู่แห่งหนตําตำบลใดก็มักจะต้องลาหยุดงานเดินทางกลับบ้านเพื่อมากราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ผู้ที่เราเคารพนับถือเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณรวมทั้งได้ทำบุญให้บรรพชนพร้อมกับส่งตายายกลับสู่ยังนรกภูมิค่ะ หุ่นทองสูงผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งข้างในก็จะเป็นโครงไม้ไผ่สูงใหญ่แต่งตัวคล้ายคนจริงมีคนเชิดอยู่ข้างในกำลังเดินโยงโยงโยงโ ย, ยกมาแต่ไกลนะคะมือไม้ก็แกว่งไกวสเปะสปะตามจังหวะพร้อมกับขบวนกลองยาวที่ชักแถวเข้ามาในวัดดูน่ากลัวจนลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยร้องไห้กันกระจองงอแงเสมือนเป็นผีปู่ย่าตายายหรือว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วกลายสภาพเป็นเปรตมาร่วมขอส่วนบุญด้วย หลังพิธีพระแล้วก็จะมีการถวายพัาหารแด่พระสงฆ์ชาวบ้านก็ทยอยกันยกสำรับกับข้าวขนมนมเนยที่เรียกว่ า, าหมุรบนะคะก็มาวางกันตรงที่ตั้งเปรตเพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามด้วยพระสงฆ์สวดบางสุกุลหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมพิธีชิงเปรตก็เริ่มขึ้นด้วยความสนุกสนาน มีความเชื่อนะคะว่าหากใครได้กินอาหารบนเหลาเปรตหรือที่เรียกว่าหลาเปรตเนี่ยจะได้กุศลแรงแล้วก็เป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวทีนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นบุญศาสตร์เดือนสิบค่ะสําหรับวันส่งเปรตกําลังจะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีในค่ําคืนนั้นบรรยากาศภายในวัดนี่ช่างเงียบสงัดดีความวังเวงเข้าแผ่ปกคลุมหนักหน่วงกว่าทุกคืนจนได้เวลาหมาหอนค่ะรับส่งกันเป็นทอดๆทั้งในแล้วก็นอกรั้ววัด อาตมาได้แต่ขมตาท่องบทสวดมนต์ในคู่มือทําวัดแล้วก็จําวัดอยู่ในกุฏิจนฟ้าสางตั้งแต่บวชมานี่จึงเป็นเพียงคืนเดียวที่ไม่ออกไปกรวดน้ำหากอาตมาได้กลัวผีเปรตหรอกนะแต่ที่กลัวคือสิ่งที่มองไม่เห็นต่างหากกว่าอาตมาจะได้ออกมากรวดน้ำในค่าคืนถัดมาก็ปาเข้าไปตีหนึ่ง เพราะมีความรู้สึกว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวปวดเนื้อปวดตัวตั้งแต่ช่วงเย็น <c oughs> เผลอจำวัดไปนานกว่าเวลาปกติตื่นมาอีกทีไฟทุกดวงในวัดก็ปิดสนิทท้องฟ้ามืดมิดเพราะว่าเป็นคืนขึ้นหนึ่งค่ำเหลือแต่ไฟแรงเทียนต่ำวับแวมหน้ากุฏิหลวงพ่อเพียงดวงเดียวอาตจจมาค่อยๆเดินลงจากกุฏิ เทียนไขในมือซ้ายวูบไหวด้วยแ ร, แรงของลมตอนดึกหยอกเย้าเปลวเทียนน้ำในแก้วกระเพื่อมเพราะว่าไม่อาจทานแรงสั่นของมือขวาแม้จะบวดมาเกินครึ่งพรรษาแล้วแต่ก็ไม่ไวายขนลุกสู้ทุกคืนที่ออกมาจากกุฏิในยามวิกาล เสร็จจากการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สับพชีวิตที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายตรงโคนต้นประดูร่ริมคลองอย่างเช่นทุกคืนขณะลุกออกจากร่มประดู่อาตมาหันไปเห็นคนกำลังลุกลี้ลุกลนออกจากกุฏิจเจ้าอาวาสอาตมาหยุดนิ่งชั่วครู่ถอยกลับมาหลบตรงโคนประดู่อีกครั้งผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเร่งฝีเท้าหลบออกไปทางประตูวัดด้านข้างใกล้ๆกันกับเมนเผาศพสิ่งที่เห็นคืนนั้นทาให้สนเทไม่หาย อาตมาไม่ได้ตาฝาดไปแน่ๆผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาจากกุฏิหลังนั้นจริงๆแต่เธอคนนั้นเป็นใครกันแล้วความคิดก็พลันต้องหยุดลงพระเอกเข้าไปเอาแว่นในกุฏิให้อาตมาหน่อยสิวางอยู่ใกล้ๆหมอนตรงที่นอนนะเสียงจเจ้าอาวาสเรียกชื่ออาตมาขึ้นขณะพระทุกรูปมารวมกันอยู่ในโบสถ์เพื่อช่วยกันนับยอดเงินในตู้บริจาคงานเดือนสิบปีนี้ได้ครับอาจารย์อาตมาตอบรับหลังจากดึงสติกลับมา เป็นครั้งแรกที่อาตมาได้เข้าไปในกุฏิของเจ้าอาวาสอันที่จริงสภาพภายนอกก็ไม่ได้ต่างจากกุฏิอื่นๆเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกว่าแต่ว่าภายในกุฏิซึ่งน้อยคนนักที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามากลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกุฏินั้นมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันทั้งทีวีจอแบนเครื่องเล่น DV วดี DVD, ตู้เย็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรวมทั้งตู้นิรภัยใบเครื่อง อาตมาไม่รอช้าตรงเข้าไปในที่บริเวณปร ะ, ะจําวัดของท่านแล้วก็นั่งคุกเข่าลงข้างฟูกสีขาวสะอาดตาข้างหมอนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นดังวางอยู่เครื่องหนึ่งใกล้ๆกันก็เห็นแว่นตาโผล่ออกมาจากใต้หมอนเพียงเครื่องหนึ่งอาตมาเลิกหมอนขึ้นไม่ผีผามคว้าออกมาเพราะเกรงว่าจะเป็นรอยขณะที่เอื้อมมือหยิบก็จําเลืองเห็นของบางอย่างวางอยู่ใกล้ๆแผงอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมประมาณฝ่ามือ มีเม็ดยารูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดสีฟ้าเข้มเหลืองคาในแผงอีก2เม็ดแทบไม่เชื่อสายตาอาตมาเคยเห็นยานี้ในอินเทอร์เน็ตอาตมาค่อยๆวางหมอนลงที่เดิมแล้วก็รีบเอาแว่นตากลับออกจากกุฏิทันทีจเจ้าอาวาสบันทึกสรุปรายรับรายจ่ายอย่างคล่องแคล่วลงในสมุดบัญชีแยกเงินส่วนที่เป็นค่าใช้ใจ่ายของวัดเอาไว้ ai, แล้วก็นาเงินสดที่เหลือไปเก็บในกุฏิหลังจากนั้นพระที่เหลือก็เริ่มทยอยลุกตามออกไป ในขณะอาตมายังคงนั่งครุ่นคิดถึงสองสิ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวสีกากับยาไวอากราพระเอกเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ดูแปลกๆพระต้นโพลงขึ้นทำเอาอาตมาสะดุ้งยงอ๋อเปล่าไม่มีอะไรไปกวาดลานวัดกันดีกว่าทั้งขยะทั้งใบไม้เต็มลานวัดเกลื่อนเลยอาตมาเสชวนพระต้นค่ำคืนต่อมาหลังจากทาวัดเย็นราวสามทุ่มพระโชตลากสังขารมหาอาตมาที่กุฏิ บอกว่าการไม่ดีตั้งแต่ช่วงบ่ายทายเลวเป็นโจกมาหลายหนสลับกับอาเจียนจนหมดไส้หมดพุงและเริ่มมีไข้อาตมารีบประคองพระชดกลับไปยังกุติก่อนจำเดินไปขอยาแก้ท้องเสียที่กุติจเจ้าอาวาสแต่กลับพบว่าในกุตินี้มืดสนิทมีเพียงไฟสลัวรางหน้ากุติเปิดไว้เพียงดวงเดียวพยายามตะโกนเรียกหลายครั้งแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆ อาตมาย้อนกลับมายังกุฏิของพระต้นหลังที่อยู่ถัดมาได้ผงน้ําตาลเกลือแร่ติดกุฏิมาสองซองพระต้นบอกว่าราวสองทุ่มมีรถกระบะมาจอดหน้ากุฏิจะเอาวา่าสักพักเห็นผู้ชายใส่หมวกแกป๊ปสวมเสื้อแขนยาวสีแดงนุ่งกางเกงยีนลูกลีลูกลนขึ้นรถด้านข้างคนขับก่อนที่รถจะบึงออกไปอย่างรวดเร็ว อาตมากับพระต้นหลําหับตื่นๆสลับกันเฝ้าดูอาการของพระโชดจนรุ่งสางก่อนกลับไปยังกุฏิหลังใหญ่อีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้เรียกเพียงสองสามคำเจ้าอาวาสก็พาร่างสโลสเลเปิดประตูกุฏิออกมาอ้าวอาจารย์อยู่ข้างในหรอกเหรอครับอาตมาแปลกใจไม่น้อยนี่มันยังเข้าพรรษาอยู่ตามพระธรรมมวินัยจะออกไปไหนได้เล่าเจ้าอาวาสขยี้ตารับแสงมีอะไรแต่เช้ามืดไม่ออกบินทบาตหรือ เช้านี้มีเพียงพระต้นกับพระน้้ยออกบินทบาทครับเมื่อคืนพระโชดถ่ายทั้งคืนเลยอาเจียนแล้วก็มีไข้ด้วยเราน่าจะพาท่านไปโรงพยาบาล น, นะครับผมพยายามเล่าอย่างรวบรัดไหนๆพาไปดูซิเป็นอะไรมากไหมหลวงพ่อก็กุลีกุจอ อ, อกตัวเดินนําไปยังกุฏิริมคลองขณะที่อาตมาเดินตามหลังไปได้กลิ่นเหล้าโชยมาแตะจมูกเป็นระยะพร้อมกลิ่นควันบุหรี่บางเบา อาตมาเชื่อแล้วว่าคนที่ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่จมูกมักจะไวยกับสองสิ่งนี้เป็นพิเศษเสมอพระเอกช่วยไปเอาย่ามยาในกุฏิมาให้ทีจะเอาวาดหันมาไหว้าวานพร้อมกาชับแขวนอยู่ใกล้ๆ ก, ลกับตู้เย็นนะนี่เป็นครั้งที่สองที่อาตมาได้เข้าไปในกุฏิแห่งนี้แต่ครั้งนี้กลับไม่เหมือนครั้งแรกหน้าแปลกที่บรรยากาศภายในอบอวลไปด้วยกลิ่นเหล้าและควันบุหรี่นั่นคงเป็นยามใส่ ย, ยา อาตมาเห็นย่ามผ้าสีขมิ้นแขวนอยู่เหนือตู้เย็นขณะสาวเท้าเข้าไปเอื้อมคว้าย่ามยาสายตาก็พลันไปเห็นอะไรบางอย่างซุกอยู่หลังตู้เย็นอาตมาชังกหน้าเข้าไปใกล้ใเอื้อมมือหยิบจับของเหล่านั้นด้วยความใคร่รู้เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีแดงกางเกงยีนและหมวกแกป๊ปควันบุหรี่กับแอลกอฮอล์ยิ่งส่งกลิ่นคละคลุ้ง แม้จะเข้าเดือน11หลายวันแล้วแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ช่างมากมายเกินศึกษาได้ครบถ้วนในเวลาเพียงสเดือนอัตมารู้สึกราวกับเพิ่งบวชได้เพียงไม่กี่วันความรู้สึกต่างๆเมื่อได้ครองผ้าเหลืองยังคงเหมือนกับวันแรกที่บวชเว้นแต่ความรู้สึกเคารพศรัทธาของอัตมาต่อพระอุปชาไม่มีวันที่อัตมาจะแพร่งพรายเรื่องราวอับยะที่ได้พบเจอในวัดแห่งนี้ที่จะทําให้าศาสนาเสื่อมเสียแม้ว่าแท้จริง าศาสนาพุทธยังคงบริสุทธิ์ไม่เคยเสื่อมแต่คนที่แฝงตัวเข้ามาในคราบสาวกของพระพุทธองค์ต่างหากที่เสื่อมหลังจากนั้นอาตมาสังเกตเห็นเจ้าอาวาสเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นและไม่มีใครได้เข้าไปในกุฏินั้นอีกเลยเป็นอีกคืนที่อาตมาออกมากรวดน้ำช้ากว่าที่เคยเพราะว่าปล่อยหลับไปด้วยความอ่อนล้าจากการช่วยพระต้นหักร้างถางพงริมรั้ววัดเมื่อช่วงเย็นแล้วอาตมาก็เห็นความผิดปกติในวัดเข้าอีกจนได้ นั่นใครทำลับๆล่อๆย่องออกมาจากกุฏิพระนุย้ยนี่มันจะตีสองละอาตมาดับเทียนไขในมืออำพรางตัวอยู่ในความมืดอ้าวนั่นจะเอาวาดนี่มาทำอะไรที่กุฏิพระนุ้ยดึกดื่นอย่างนี้ก่อนออกบินธบัตในวันต่อมาอาตมาเล่าสิ่งที่พบเจอในคืนก่อนให้พระต้นฟังพระต้นจึงแ ง, ง้มให้ฟังว่าพระนุ้ยเคยเป็นรุ่นน้องโรงเรียนแต่ไม่ค่อยสนิทกันนัก กระทั่งห่างๆกันไปหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมมาได้ข่าวอีกทีก็ตอนที่เขาไปเป็นนางโชว์สาวประเภทสองอยู่ที่ภูเก็ตจนหลายปีผ่านไปมาเจอกันอีกทีก็ตอนมาบวชอยู่วัดเดียวกันพอได้ฟังถึงตรงนี้อาตมาก็ไม่อยากจะคิดอะไรต่อไปอีกสมองมึนตื้อไปหมดกลับจากบินทบาทวันนั้นอาตมากับพระต้นแวะเข้าไปดูอาการพระโชดที่เช้านี้ยังคงออกไปบินทบาทไม่ได้ต้องปล่อยให้พระนุ้ยออกไปเพียงลําพังอาการดีขึ้นไหมครับหลวงพ่อ อาตมาสัมผัสแขนพระโชติที่หน้าตายังดูซีดเซียวเขายังชั่วละยาของท่านหัววัดเนี่ยดีจริงพระโชติแย้มบางๆเออแล้วนี่พระนุยยังไม่กลับมาเหรอครับน่าจะอยู่ที่โรงฉันมั่งแต่เดี๋ยวผมแบ่งสํำรับมาให้หลวงพี่ฉันที่กุฏิดีกว่านะครับพระต้นอาสาก่อนจะปลีกตัวออกไปก่อนจริงสิพระนุยแกเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อคือนหลวงพ่อได้ยินเสียงร้องครวนครางแว่วแว่วเองกับถูกเชื้อดหรือถูกอะไรทิ่มแทง พระโชต์พูดด้วยเสียงแหบแห้งเมื่อพระต้นให้หลังเอหรือว่าจะฝันร้ายและเผลอละเมอตะวันโด่งแล้วพระสี่รูปกลับจากบินทบาทกำลังง่วนช่วยกันจัดสำรับเพื่อฉันเช้าเมื่อคืนอาตมาข่มตาหลับไม่ลงทั้งคืนไม่ใช่เพราะเสียงตะพนที่แว่วดังมาจากอีกวัดส่งสัญญาณว่าใกล้จะออกพรรษาเต็มทีแต่หวนคิดถึงวันแรกที่ได้บวชเป็นพระสงฆ์วันแห่งความปลื้มปิติของครอบครัววันที่ได้ลดละเลิกกิเลส จ, จากทางโลก จำได้ว่าวันนั้นท่านจะอาวาดกําชับนักหนาว่าถ้าจะออกจากกุฏิมากรวดน้ําหรือทําภารกิจใดๆอย่างวิการขอให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนหลังจากนั้นห้ามออกมาจากกุฏิเป็นอันขาดแถวและแวกวัดนี้ค่อนข้างเปรียวมันอันตรายอาตมาเพิ่งจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็วันนี้ชาวบ้านส่งเปรตกับพบภูมิที่ควรอยู่ไปหลายวันแล้วแต่ตอนนี้อาตมายังเห็นเปรตตัวหนึ่งเดินอัดๆ อ, ออกมาจากกุฏิหลังใหญ่สุดของวัด มุ่งหน้ามาทางโรงฉันผ้าเหลืองไม่อาจเปลี่ยนให้คนดิบกลายเป็นคนสุขได้ทุกคนอัตมานเริ่มนับถอยหลังรอกลับสู่การเป็นคาราวาสธร ร, ธรรมดาคนหนึ่งอีกครั้งคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าเรื่องสุดท้ายนี้จะไม่ใช่เรื่องผีเรื่องนางมา้าเรื่องเทวดาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณผู้ฟังถ้าฟังเรื่องนี้จนจบค่ะจะรู้ว่าทําไมชื่อเรื่องถึงชื่อว่าเปรตเดือน11 เมื่อได้รู้แบบนี้แล้วก็ให้ทราบไว้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วในสังคมเรามีเหตุการณ์แบบนี้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งในขณะที่เรากำลังฟังอยู่แต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันหรือว่าทำนองเดียวกันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะหมดเวลาของพระเจอผีแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วย พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ